คือคือไม่คือถ้าเป็นรุ่นเด็กๆก็คืออาไข่มันคืออะไรไข่นะมันคือลูกกลมๆบางตัวบางอันนั้นมันก็ขาวบางอันมันก็สีจืดๆหน่อยนะบางอันมันมีขี้ไก่ปนๆอยู่นิดอย่างเงี้ยนะให้ามันนั่งเล่าเออไข่มันเป็นอย่างเงี้ยไข่ไฟนี่มันฟองอันนี้ไข่แบบเบอร์หนึ่งเบอร์สองอะไรเงี้ยนะให้มาเรียนเรื่องไข่นะถ้าเป็นคนเกียกว่ามุ่งที่จะพิจารณาชั้นสูงเนี่ยเขาจะคิดว่าไข่ทุกฟองมันแตกหมด มันก็แตกเพราะมันมีรอยร้าวนะทุกแห่งมันพร้อมที่จะแตกได้ทุกส่วนมันร้าวแบบผ่ากลางมันร้าวแบบผาซิ่เห็นความแตกร้าวของไข่ทุกฟองหมดเลยนะซึ่งถ้าหากว่าเห็นรอยร้าวตามเห็นรอยร้าวอย่างนี้มันจะพอกไม่ขึ้นไม่ต้องการจะฟักมะนะืนันนียก็เลยตามมุ่งตามเห็นแต่ความแตกความร้าวความไม่น่าเป็นแก่นสารของไข่อัเนี่ยก็ตามเห็นไปเรื่อยๆนะจะตัดใจนะเลือกใข่ใบไหนมาก็มีแต่รอยร้าว อันะเลือกไข่ใบไหนมาก็มีแต่รอยร้าวสังขารทั้งหลายเหมือนกันคนที่พิจารณาไม่ว่าจะเป็นสังขารไหนขันไหนก็มีแต่ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาตตาวิจัยขันไปขนาดไหนใครครวรไปในทุกภพภูมิใดขันห้าทุกขันก็ไม่ต่างจากไข่ที่มีรอยร้าวเนี่ยนะคือไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนาตตาเพราะฉะนั้นมี สมัยหนึ่งจิตตะคฤหาบดีใกล้จะตายจิตตคืหาบดีนั้นเป็นพระนนาคามีได้ฌานสี่ทีนี้ตอนใกล้จะตายเนี่ยเทวดาเข้ามาบอกขอให้ท่านเนี่ยตั้งจิตเพื่อเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิให้ตั้งความตาทะนะจะได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิท่านบอกว่าแม้สมบัติเช่นนั้นก็ไม่เที่ยงแม้แต่สิ่งเช่นนั้นก็ไม่เที่ยง เืออาการน้อมเข้าไปในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในสังขารในการมาพบนะถ้าอนาคามีชำนาญมากเนี่ยนะแต่ก็เพลิดเพลินในรูปฌปานในอารูปฌานเพลิดเพลินในรูปประพบและอารูปประพบอยู่ด้วยกิเลสที่เป็นนิวรภโลภวิปยุตก็ยังเพลิน อ, อยู่แต่ว่าถ้าสังขารในการมาพบนะ ไม่น่าเพลิดเพลินสําหรับท่านถ้าท่านไม่ต้องการโดยประการทั้งปวงใจของท่านยังไงก็ไม่น้อมไปในสังขารในกามมาพบเนี่ยนะของเราก็แต่ถ้าไข่กี่ฟองก็ไม่รู้นะจึงก็ซื้อไข่ขายไข่อยู่เนี่ยนะไข่แตกไข่ร้าวอยู่นั่นนะรูปนามทั้งหลายก็ก็ต่ไม่ไม่มีความต่างกันนะนะถามว่ามีอะไรมั่นคงถาวรบ้างไหม ย, ยังไม่กระทั่งในรูปประกายนะดูทุกอย่างเหมือนเหมือนเดิมหมดนะ ถ้าลองหัวใจมันไม่เต้นสักสองนาทีดูนะเอาไหมหัวใจเต้นแต่ละครั้งเนี่ยมันหมายถึงอะไรหมายถึงเลือดไปสูบฉีดใช่ไหมถ้าในที่นั้นนั้นถ้าเลือดเลิกสูบฉีดอะ่ะอะไรจะเกิดขึ้นถ้าหัวใจเลิกปั๊มเลยนะอะไรจะเกิดขึ้นอนนซึ่งจริงๆทุกคนเนี่ยหัวใจมันเต้นกันอยู่ทุกคนใช่ไหมถ้ามันเลิกเต้นอะไรจะเกิดขึ้นเออเนี่ยเกิดใหม่อย่างเดียวอะแล้วไม่เกิดใหม่ก็ไม่ได้เพราะว่าปริญญายังไม่ได้ทําไม่ดีเลยนะ เต้นเต้นไปแล้วมันเกิดหยุดเฉยๆอย่างนั้นเลยนะบอกว่าตายเพราะอะไรก็บอกว่าหัวใจเลิกเต้นเขาบอกว่าหมอส่วนใหญ่จะสรุปแบบนี้ใช่ไหมหัวใจวายตายเลยนะหัวใจล้มเหลวบ้างอนะสรุปว่าหัวใจล้มเหลวก็วายเดียวเขาบอกว่าไม่รู้อะพี่นิดฉายหาโรคอื่นไม่ได้ของหัวใจล้มเหลวอ่ะ ตายโรคนี้โรคเดียวว่างั้งนเหรอนีหมอก็เลยมาคุยกันบอกอะไรจะตายเพราะโรคหัวใจมากตานนั้นก็ว่างั้นมาลูกหาเหตุอื่นไม่เจอก็เนี่ยหัวใจล้มเหลว อ, <c oughs> อันก็พูดไม่ผิดอยู่แล้วใช่ไหมมันเหมือนกับบอกว่าเขาทําไมเขาตายเขาเลิกหายใจอ่ะตายเพราะขาดอเพราะไม่ได้หายใจอย่างเง้ยนะพูดเมื่อไหร่มันก็ไม่ผิดอ่ะพูดเมื่อไหร่บอกทําไมจึงตายบอกว่าหัวใจล้มเหลวหัวใจวายโอ้ยยังไงมันก็ล้มเหลวนี่มาดูหน้าเจ็สิบสามบ้างนะ อุปมาอื่นๆอีกบ้างว่านระผู้ไข่จะดูพระจันทร์ในเวลาที่พระจันทร์เนี่ยถูกเมฆหมอกบดบังเอาไว้ครั้นเมื่อเมฆหมอกถูกพายุพัดไปตามลำดับจากหนาทึบเป็นบางและบางเข้าก็เห็นพระจันทร์ได้ฉันใดโคตรภูยานที่กำลังเพ่งอมตะอยู่นิพานก็ฉันนั้นหรือพูดอีกในหนึ่งก่อนว่า เมื่อโมหะที่ปิดบังสัจจะถูกทำลายได้ด้วยอนุโลมยานในชั้นแรกก่อนนะโมหะที่มันปิดเหมือนโมหะที่ปิดอริยสัจเหมือนกับเมฆหมอกที่มันปิดดวงจันทร์ที่มันน้ามากปิดดวงจันทร์เนี่ยนะทีนี้ลมมันก็มาพัดเมฆหมอกเนี่ยพัดออกไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นพัดพัดพั ด, พดไปจนในที่สุดก็ดวงจันทร์ก็ปรากฏให้เห็นฉันใดอนุโลอ่ วิปัสนาญาณทั้งหลายก็เหมือนกันตั้งกระแรกก็เหมือนกับเป็นลมอ่ะนะลมที่พัดดวงจันทร์อ่าขอไปลมที่พัดเมฆหมอกพัดไปพัดไปพัดไปจนเมฆหมอกเนี่ยมันบ า, บางบางบางบางในที่สุดก็พัดหมอกเนี่ยหายไปหมดเลยนะพัดพัดเมฆเนี่ยหายไปหมดอ่าดวงจันทร์ก็ปรากฏนี่ยนะพอดวงจันทร์ปรากฏพัดบุรุษก็มองเห็นดวงจันทร์ะลังจากการเห็นมานัสการใส่ใจไปดวงจันทร์เหมือนกับบุรุษที่เห็น เหมือนกับผู้ที่เห็นพระนิพพานเพราะฉะนั้นโมหะถูกอนุโลมายานเนี่ยนะทำลายไปก็คือถ้าใช้คําว่าอนุโลมยานญนะาณที่เหลือก็เท่ากับแสดงมาแล้วอนุนปัสนาญาณก่อนหน้านี้มาทําลายโมหะมาโดยลําดับเนี่ยนะแล้วก็พอโมหะผ่านพ้นไปโคตรภูญาณก็เพ่งพระนิพพานก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ทีนี้อนุโลมยานเนี่ย ไม่ได้เห็นพระนิพพานเพราะว่าอุปมาเหมือนลมไม่ได้เห็นพระนิพพานเอ่อไม่ได้เห็นดวงจันใช่ไหมเพราะลมมันพัดเฉพาะเมฆหมอกออกไปเพราะฉะนั้นอ น, อนุโลมายาเนี่ยไม่ได้เห็นพระนิพพานเหมือนลมเหล่านั้นก็ไม่ได้เห็นพระจันทร์โคตรภูญานก็บันเทาความมืดไม่ได้เหมือนบุรุษก็บันเทาเมฆหมอกไม่ได้ฉะนั้นคนที่เห็นดวงจันน่ะนะทำเป่าเป่าให้เมฆมันปลิวไปได้ไหมไม่ได้หรอก เพราะฉะนั้นไอ้ลมที่เป่าเมฆหมอกก็ลมหนึ่งลมไม่เห็นดวงการหรอกคนที่เห็นดวงการก็ไม่ได้ไปเป่าเมฆหมอกอะไรหรอกแต่มัคคยาณ น, นี้เป็นไปในพระนิพพานไม่ได้ละสัญญาอันโคตรภูญานให้แล้วจึงทำลายกองกิเลสมีโลภะเป็นต้นนี่นะก็ทําลายกองกิเลสได้โดยสิ้นเชิงด้วยอนุภาพของอริยมรรคอริยมรรคที่แสดงอยู่ตรงนี้นะให้รู้ว่าแสดงมรรคสี่ควบคู่กันไปเลย จะไม่แสดงทีละมัศนะในในปฏิสัมพิทาตรงนี้แสดงพร้อมกันสี่มัศเลยคือว่ากิจในการปฏิบัติเพื่อแทงตลอดอริยสัจแนวเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วไม่มีใครห่วงแล้วนะขอให้เห็นสัจจะเป็นขั้งแรกอนะไม่น่าเป็นห่วงเลยนะเพราะถือว่ายังไงยังไงก็ต้องบรรลุมัศชั้นสูงแน่นอนอนะ่นะนิยจะโตว่างัน้นเป็นคนแน่นอนจริงๆสัมมะตะเนี่ยขาแน่นอนนะสัมโพธิปารายโน เที่ยงแท้ที่จะตรัสรู้ในเบื้องหน้านั้นก็แต่ว่าเฉพาะตรงนี้นะแสดงมักสี่พร้อมกันควบคู่กันไปเลยแต่ของเราเนี่ยนะเรียกเป็นคนกลุ่มมักน้อยใช่ไหมมาให้ได้โสดาปฏิมักเวยก่อนเถอะกันนยนะทีนี้อีกอุปมาหนึ่งนะอุปมาที่สามเหมือนจักยนต์ที่ใช้เป็นเต้ากำลังหมุนอยู่นายขมังธนูเนี่ยยืนจ้องจะยิงอยู่แล้วพอสัญญา อันคนอื่นให้แล้วก็ยิงลูกสอนไปทะลุแผ่นเป้าได้ตั้งร้อยฉะนั้นมัคยานนั้นก็ทาลายเอ่อมัคยานนั้นนั่นแหลททำทะเลหลวงคือสังสารทุกข์ให้เหือแห้งไปคิดดูนะว่าฝูงปลาทั้งหลายเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสไปอยู่ในฝูงปลาเหล่านั้นอีกแล้วเนี่ยใครที่ดูรายการอะไรนะพวกกนที่มันจับเอาเดราชานมาถ่ายให้ดูบมมากอะ่ะนั้น การเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ะนะเนี่ย น, นั่นแหละนั่นแหละพวกไอ้จิออกราฟิกอ่ะนะที่เขาให้ดูพวกนั่นแหละพวกเดราชานทั้งหลายแหละไนะทะเลลึกเนี่ยนะมันคลองที่ตรัสว่าสัตว์น้ํามากกว่าสัตว์บกนี่ไม่ผิดอะไรเลยนะมูเดราชานเนี่ยมากจริงๆตีก่อนโน้นไตรคเมนมาบกโหทะเลน้ําจืดก่อนนะ ปลาเนี่ยข่าวคละลุ้งปลานี่มากจริงๆนะหมูเดรชาเนี่ยเยอะจริงๆแล้วก็ในหลายๆแห่งเนี่ยนะหมูเดรชาเนี่มากจริงก็คิดดูนะหมูเดรชาที่อยู่ในทะเลมาเลี้ยงคนเกือบทั้งโลกอ่ะโดยโดยผลิตภัณฑ์ต่างๆใช่ไหมที่แผลพนพวงมาจากสัตว์ทะเลเนี่ยนะแล้วก็มีมีเข้าวิจัยอันหนึ่งก็คือว่าไอในสาร่ายทะเลเนี่ยมันมีสัตว์เกาะกันอยู่แล้วมีสารอะไรมาเคลือบอีกครั้งหนึง พ้นสาหร่ายทะเลนเนี่ยนะลึกๆอันนั้นก็คือหมู่เดร์ฉานอยู่ในนั้นอีกอนนมีมากแล้วพญาธิหนึ่งตัวนะที่หมอเล่าว่าหนึ่งตัวเนี่ยมันมียาวเป็นวาเนี่ยนะมันมีก็มีปล้องปล้องปล้องแล้วในแต่ละปล้องนี้ก็มีอยู่เป็นไม่รู้กี่ตัวเหรอกกี่ตัวเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในอพูดแบบชาวชาวเราก็บอกว่าในพญาธิหนึ่งตัวยาวหนึ่งวาเนี่ยนะถ้าพูดภาษาขันทาก็บอกว่ามีขันเป็นหมื่นหมื่นขันเนี่ยนะ เป็นมื่นๆชีวิตอยู่ในนั้นเลยนะยเพราะทุกกล้องมันผสมผันได้เองทุกกล้องมันเป็นไข่โดยธรรมชาติอยู่ในนั้นหมดนะเนี่ยก็ทุกๆขันห้าอยู่ในนั้นเนี่ยอย่างมากจยไปคิดว่าเรานั่งอยู่คนเดียวเลยพวกเยอะๆเลยอ่ะม <c oughs> ันหมดโอกาสนะถ้าโสดาปฏิมากรเกิดขึ้นหมดโอกาสเป็นพญาติหมดโอกาสเป็นหนอนแล้วนะเลิกเป็นหนอนสักทีหนึ่งเลิกเป็นงูเงีว้วเขี้ยวเสือเลิกเป็นอบายเนี่ยนะเดนนรกมีกี่ขุมนรก ใหญ่ๆเนี่ยนะโร อ, อ, อะไรสันชีวานรกอะไรตาปน า, าสันตาปนาวนรกนนนะโรรุวามหาโรรุ ว, อวาอเวจีมหาเวจีเป็นต้นเนี่ยนะแล้วก็สรุปใหญ่ๆมีแปดขุมแต่ละขุมมีอยู่สี่ทิศอันนะั้นมีบริวารย่อยๆ อ, อีกสี่ทิศแต่ละทิศมีบริวารยมมาโลกอีกสิบชั้นเนี่ยนะก็แต่ละสรุปว่าขุมใหญ่ๆเลยก็มีสักร้อยี่สบแปดขุมแล้วก็ร้อยี่สิแปดคูณยมมาโลกอีกสิบ นารอยยี่สิแดูณสิบโอ้หะอย่าหลุดไปเด็ดขาดเลยนะหลุดไปแล้วยุ่งเง <c oughs> คุกใหญ่จริงๆนะแถวนั้นนะเพราะถ้าโซดาปฏิมากเกิดนะโอ้ oh, ไม่ต้องไปปฏิสนธิแถวนั้นอีกเลยอ่ะนะหลุดพ้นจากสัตว์สิ่งแนะ่นอนแล้วนึกย้อนมาหาปลานะปลาหนึ่งตัวมีไข่อยู่กี่ฟองโอ้ย oh, เนี่ยก็ไม่ต้องไปอยู่ในไข่ปลาอีกแล้ว แล้วก็เชื่อไหมว่าปลาตัวหนึ่งนะกว่าจะเจริญเติบโตได้นะค่าปลาด้วยกันเท่าไหร่เนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุกโทษทั้งหลายที่จะต้องไปเกิดในอบายเนี่ยหมดแล้วทีนี้ถ้าเขาเกิดนะเขาก็ไม่เกิดในตระกูลต่ำไปแล้วตระกูลนายพรานเป็นต้นเนี่ยนะพระโสดาบันจะไม่เปรติสซนที่ในตระกูลเหล่านั้นอีกต่อไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทุกโทษภัยทั้งหลายที่จะมีในวัฏฏะเนี่ยนะพระโสดาบันทําลายเหกิดแห้งเพราะฉะนั้นตั้งแต่เป็นพระโสดาบันเป็นต้นไปนะ อาคุสนกรรมบทที่ครบองค์นำไปสู่อาบายพระโสดาบันละได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะด้วยอํานาจแห่งโสดาปฏิบัติะนั้นทะเลทุกแห่งสังสารทุกนี่เหือดแห้งไปมีอยู่สูตรเนี่ยบอกว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายเธอจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไฉนะน้ำเจ็ดหยดจากทะเลเนี่ยนะน้ําในทะเลเนี่ยถ้ามันเหลืออยู่เจ็ดหยดกับน้ําที่แห้งไปกับน้ําเหลือเจ็ดหยดเนี่ยไห น, นจะมากกว่ากันโอ้ยน้ําทะเลมากกว่า น้ำเจ็ดหยดจะมากอะไรแล้วนะชันใดก็ดีทุก ข, ของปุถุชนทั้งหลายที่ที่ไม่รู้แจ้งอริยสัจเนี่ยนะทุกพอๆกับน้ําในทะเลแต่ทุก ข, ของพระอริยสาวกผู้รู้แจ้งพระรัจะาสนาแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะเหลือเท่ากับน้ำเจ็ดหยดเพราะว่าเกิดในคันอย่างมากอีกแค่เจ็ดครั้งเนี่ยนะแต่ว่าน้อยกว่าไม่นับนะอันนี้เอาแบบสูงสุดเข้าไว้ก่อนว่าจะไม่มีพบที่แปดสำหรับ พระโสดาบันถึงจะประมาทอยู่บ้างแต่ก็ไม่ถึงทบที่แปดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นท่านเป็นผู้ที่มีหนี้คือกิเลสทําลายหนี้แล้วนะมเป็นคนหมดหนี้คือกิเลสเป็นเศรษฐบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยอริยสัพพันธ์ถ้าเป็นพระโสดาบันก็สมบูรณ์ด้วยทรัพย์อะไรมัง่งศรัทธาก็เป็นโลกุตระศรัทธาศีลก็เป็นศีลที่ไม่ขาดไม่ด่างไม่พร้อยไม่ทะลุเป็นศีลที่เป็นไทยอันตันหาและทิถิไม่ จับต้องนี้พอเป็นพระโสดาบันไปแล้วนะอะไรครับคือสัพพาศีนฮิริโอตตะเพราะฉนั้นผู้เป็นผู้ที่ละอายชั่วกลัวบาปอย่างที่สุดเนี่ยนะรเกรงชั่วต่อบาปต่ออกุศลเพราะว่าผู้ที่ศินดีก็คือผู้ที่มีหิริและโอตตะแล้วพระโสดาบันเนี่ยเป็นผู้ที่มีสูตตะโดยเฉพาะสูตรตะแบ่งออกเป็นสองอย่างนะประหุสูตรโดยปริยัติกับโดยปฏิเวท พหูสูตรนี่แบ่งเป็นสองอย่างคือโดยปริยัติกับโดยปฏิเวทเพราะฉะนั้นพระโสดาบันเป็นต้นก็เป็นพระหูสูตรโดยปฏิเวทเนี่ยนะคือเป็นพระหูสูตรโดยการบรรลุนะอย่างพระพุทธเจ้านี่เป็นพระหูสูตรเป็นพระหูสูตรโดยการบรรลุแล้วก็ท่านเหล่านั้นก็เป็นผู้มีจาระฆ์เนี่ยนะพระโสดาบันหลังจากเป็นพระโสดาบันจะไม่รู้สึกตรณีในวัตถุใดเลยเนี่ยนะ ท่านถือว่าทรัพย์ของท่านเป็นสาธารณโภคีนีนะนะก็เหมือนกับอันนี้พูดอนุโมทนานะว่าเหมือนกับเจ้าของบ้านเนี่ยนะเป็นสาธารณโภคีเลยนะให้เรามานั่งเรียนธรรมะได้ทั้งวันเลยะนะก็คิดดูนะบ้านนี้ก็เริ่มเป็นสาธารณโภคีเลยนะมีผู้ฟังธรรมได้ทุกอาทิตย์เลยยังก็ว่าเป็นยิ่งกว่าวัดอีกวัดยังมายากอย่างเี้นะวัดเนี่ยไม่ได้ฟังธรรมได้ทุกอาทิตย์ขนาดนี้หรอกพงเพ่งําคาญกวนไปหมดเลยนะเอ๊ะหนักๆเข้าบ้านจะดีกว่าวัดซะลนะ อันนี้ไม่ได้ว่าพูดนั้นมันจริงๆอย่างนั้นจริงๆอ่ะนะความทำอยู่ที่วัดมันจะได้พลันยาวขนาดนี้ไม่มีเสียงรบกวนขนาดนี้หายากนะหุ่นวายไปหมดเลยนะกลายเป็นว่าเอ๊ะหนัก ๆ, ๆเข้าจะดีกว่าวัดและว <c oughs> ก็เป็นเรียกว่าถ้ามีทรัพย์ก็เป็นทรัพย์เป็นสาธารณโพคีเนี่ยนะเรียกว่าทั่วไปแก่เพื่อน ส, สหธรรมนิษฐพรหมจรรย์เพราะนั้นอันนี้ทรัพย์คือจาค ข, ของเขา